หกอุปสัมปทาวิธีว่าด้วยอุปสมบทวิธีเรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียนข้อหนึสมัยนั้นกุลบุตรทั้งหลายที่อุปสมบทแล้วปรากฏเป็นโรคเรือนก็มีโรคฝีก็มีโรคกลากก็มีโรคมองคลก็มีโรคลมบ้าหมูก็มี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงผู้จะให้อุปสมบทถามอันตรายยะธรรม13ข้อได้